วิปัสนาโนบาลบทที่7เกณฑ์วัดว่าคุณเป็นนักวิปัสนาหรือยังหนังสือวิปัสนาโนบาลเล่มนี้ชี้ให้เห็นว่าวิปัสนาที่ดีนั้นเริ่มต้นตรงสร้างพื้นฐานอันมั่นคงให้กับสติเสก่อนคือเอาสติไปผูกอยู่กับลมหายใจที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา